วความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมาโพธิยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องอุปสมานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่ระดับอุดมการหน่อย แต่ว่าธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็เรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือมุ่งไปสู่ปณิพานแต่จะไปถึงหรือไม่ถึงมันเหมือนกถนนนั่นนะฮะคือถนนนุ้มีจุดหมายปลายทางของมันแต่ว่าเวลาเราใช้จริงๆเราไปถึงหรือไม่ถึงก็อีกเรื่องหนึ่งถนนบางเส้นสายบางเส้นทางมันก็ยาวเหลือเกินไกลเหลือเกินก็ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ ก็ได้เน้นในสองเรื่องมาในวันก่อนคือที่เรียกว่าตทังกปาหานหรือตาทังกนิโรธหรือตาทังกวิมุตต์หรือตทังกนิพ า, า, านก็ตามนะฮะท่านก็เรียกทั้งนั้นนะเรียกหลายชื่อก็หมายความมาเป็นการละกิเลสได้โดยองค์ น, นั้นๆเป็นเรื่องของจิตสํานึกโดยเห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับมาในแนวเทวตานุสติเนี่ย ถ้าเรามีฮิริอตตปะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจหิริก็ทาหน้าที่สกัดกั้นกระแสของกิเลสกระแสของอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นรู้สึกละอายที่จะทําที่จะพูดที่จะคิดไปตามแรงกิเลสกลัวที่จะพูดจะทําจะคิดไปตามแรงของกิเลสมันก็เกิดอาการสงบอย่างนั้นสงบโดยองค์นั้นๆก็ไปได้ ทีนี้ถ้าเรามีฐานใจดึกๆเราจะเห็นว่าเช่นสมมติว่าเรามีหิริเนี่ยแต่ว่าลึกมากมันก็เหมือนกับน้ำใสที่อยู่ในบึงใหญ่ๆเนี่ยใครเทของสกปรกลงไปมันก็ถูกสลายก็กลายเป็นน้ำที่ใสยอยู่เหมือนเดิมจิตใจของบุคคลเราในบางระดับนะฮะคือถึงระดับหนึ่ง เรามีภูมิธรรมสูงภูมิจิตสูงจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งสักข้อก็ตามอ่ะเช่นมีปัญญามากมีศรัทธา ม, มากมีสติมากเนี่ยมันก็กลายเป็นภูมิใจเป็นหลักใจคล้ายๆกับร่าง ก, า ย, กายที่มีภูมิต้านทานโรคมันมีเชื่อโรคแพร่หลายมาจริงแต่วว่าร่างกายเราแข็งแรงเราต้านทานไม่ได้ วันละการปฏิบัติสองข้อนี้จึงเป็นหลักสากลทั่วไปแก่พุท ธ, ทธบริษัททั้งขวายคระดานได้วันเป็นชิดที่สามารถทำได้ประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วหมายความเป็นตัวเนื้อแท้ของนิโรธของวิมุตตของนิพพาน้ะเรียกว่าสมุเทเฉทานิโรธ สมุทเฉตรประหารด้วยสมุทเฉตตวิมุตติหรือสมุทเฉทนิพานนะฮะก็ะเรียกได้ทั้งนั้นเป็นการละได้โดยเด็ดขาดก็ เ, เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมองนา ม, มารูปเห็นความจริงตามกฎของปัจจัยลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อย่างที่ทรงแสดงแก่ท่านปัญญวิคีนะฮะเรื่องอนัตตลักษณ์กสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวคุ้นๆกันนั่นก็คือแนววิปัสสนาแต่ว่าตอนแสดงแก่ปัญญวิคีทรงยกอนัตตาขึ้นมาว่าขันห้าเป็นอนตาโดยสรุปนะฮะกันห้าก็คือนามารูปนามารูปก็คือกันห้าก็คือกันนะฮะแต่ว่าในประสูตรจริ ง, รงๆทรงย่อยออกมาทีละข้อ เราก็พูดรวบไปเลยนะฮะว่าขันห้านั้นเป็นอนัตตาถ้าขันห้าเป็นอัตตาแล้วขันห้าจะไม่เป็นไปเพื่อพาดคือจะไม่แปรปรวนแปรผันไปด้วยเหตุปจัจจัยต่างๆและาัตว์ทั้งหลายก็สามารถตั้งความหวังว่าขอขันห้าคเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอขนห้าคเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะขันทั้งห้ามันเป็นอนัตตาขันห้าจึงเป็นไปเพื่อพาด สัตว์ทั้งหลายจะสามารถได้ตามไมา่ไม่สามารถจะตั้งความบางังว่าขอกาหน้าควรอจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อ, อย่าได้เป็นอย่างนั้นเดินจากนั้นก็รับสั่งถามให้พระปัญญวิคีท่านได้คิดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรการหน า, า, หาเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 โดยสรุปว่าเพราะเหตุนั่นแหละพิกษุน์ทางหลายขาน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขาน้านั้นก็สักได้ว่าขัน่าไม่ได้เป็นของเราจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆคนนี้ทั้งเธอทั้งหลายไปเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ แล้จิตมันจะเดินไปจนถึงจุดหนึ่งเขเรียกว่ามรคยานคือยานในมรคนะฮะมรคก็คือโสดาปฏิมรคตะกิดตะกายมรคกนาคารมรคกรหัตตมรคกนาคารเพราะว่าการตัดขาดจริงๆเนี่ยมันเริ่มขาดตั้งแต่ปศสดาวันดังนั้นปศุดาวันเป็นต้นไปเนี่ยก็เห็นในเริยสัตว์สีเหมือนกันเพียงแต่ว่าแสงสว่างคือยานเนี่ยมันมีไม่มาก พอที่จะขจัดกิเลสได้หมดว่าะั้นขจัดไปได้ตามลำดับคล้ายๆกับเราจุดไฟขึ้นในห้องนะจุดเทียนขึ้นทีละดวงทีละดวง ท, ลวงทีละดวงในห้องมันก็สว่างเง้ยไปโดยลดำดับไปจุดที่แสงเทียนปรากฏอยู่ความมืดมันก็ไม่มีจุดที่แสงเทียนยังส่องไปไม่ถึงก็ยังมืดอยู่แต่พอเราจุดไปหมดทั้งห้องมันก็สว่างหมด ใจิตใจของพระเรียบบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะแนวสมุทเฉตตาปาหา น, นี่หรือสมุทเฉตวิมุตสมุทเฉตานิโรสมุทเฉตานิพานก็ตามนะครับมันเรื่องตัดขาดตั้งแต่เป็นประสดาบันเพราะปะโสดาบันก็ตัดกิเลสประเภทสังโยชน์คือกิเลสที่ปลูกใจสัตว์ไว้เนี่ยสามข้อเด็ดขาดไม่กำเนิดอีกต่อไปไม่ว่าจะ ว่าถล่มดินทลายยังไงก็ตามท่านตายเกิดไปแล้วก็ไม่เสื่อมแล้วเกิดแววมาถึงก็เป็นประสดับันดันทีทันใดแล้วงั้นก็คือสักยะสักยะทิชชีความเห็นเป็นเหตถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนตลอดถึงกันห้าเป็นตนตนเป็นกันห้ากันห้ามีในตนตนมีอยู่ในกันห้าก็เป็นความปักใจฝังใจของท่านอย่างนั้น ตามปกติแล้ววกเทวนิยมก็จะเชื่ออย่างนั้นแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็จะทำลายสักกยะตรง น, นั้นออกไปแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทางอดีตอนาคตในกฎของปัจจยากาศเนี่ยก็หมดไปแล้วก็าาศีลปฏตปธรรมาธการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติ ที่มองไปในแนวครั้งแนวศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปฏิเสธแนวอื่นเอาแนวเดียวเท่านั้นเป็นลักษณะของโทสะผสมโมหะอยู่ถ้าใครไปขัดคอก็โกรธนะฮะพวกนี้วเพราะเราจะลองสังเกตเอาพวกสงเจ้าข้าวผีพวกอะไ ร, ะไ ร, ะไรต่างๆเนี่ยพวกเกจิอาจารย์เนี่ยพวกนี้ขี้โกรธนะขัดคอก็โกรธอนนันเดงต้กงการพิสูจน์ทดสอบอะไรก็โกรธ ก็อมอาการของโมหะ ก, กับอาการของโทสะอยู่ในขณะเดียวกันก็โลภะขยะให้คนอื่นเห็นตามตัวอคนอื่นมาเห็นตามตัวก็จะเกิดโทสะพระโสดาบันทันละได้เด็ดขาดหังการเด็ดขาดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากตรงนี้ทีนี้ในระดับเด็ดขาดก็เหมือนกันคือเราสามารถจะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาป ท, ที่ลดหลั่นลงมาได้ อย่างสิ่งที่น่าห่งคือศีลห้ากับอบ า, ายมุกเป็นี่นะเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเราคือเวลาพูดอะไรก็นึกถึงศีลห้ากับบ า, ายมุกไม่ค่ได้เราสามารถที่จะงดเป็นเด็ดขาดแบบก็เรียกว่าสมุทเฉตวิรัติคืองดเว้นแบบขาดมันก็คล้ายๆกับสมุทรเชตพะหารนะคือละได้โราเด็ดขาดมันก็อันเดียวกัน คือทำยังไงว่าละเด็ดขาดอย่างในศีลห้าประการเนี่ยเอาสักข้อหนึ่งก็ห้าก่อนเอาข้ห้านี่ละเด็ดขาดเลยสิงเสียติดทั้งหลายไม่ยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดมันก็เป็นเด็ดขาดอีกระดับหนึ่งแต่เป็นเด็ดขาดระดับศีลอย่างไม่ถึงระดับมรรยาณ น, นะฮะเป็นระดับศีลหรือว่า คนบางคนเนี่ยเราไม่โกรธเด็ดขาดไอ้ น, นี้เป็นการละเด็ดขาดแบบระดับธรรมะเช่ น, นสมมติว่าพ่อแม่ครูบาอาจารยา์ญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราไม่โกรธเด็ดขาดว่าอะไรก็ว่าเลยเราไม่โกรธหรือว่าของน้องของญาติของเด็กอะไรแต่ไรเราจะไม่เอาเด็ดขาด เป็นการตั้งใจเป็นเจ็ดเจ็ดจำานงเป็นความมุ่งมั่นเป็นอธิษฐานเป็นการตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นภายในใจมันก็เด็ดขาดได้ระดับหนึ่งแล้วอย่างศีลห้าเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าวันก่อนเนี่ยได้ข่าวแล้วขนขนพองนะตกใจเลยนะ คืว่าปัญหาเรื่องโรคเอดเนี่ยมันเปลี่ยนเป้าคือเบี่ยงเบนออกไปจากเป้าหมายเดิมเมื่อก่อนจะเป็นนักท่องรารีกับโสเพณีเนี่ยเป็นผู้ติดโรคเอดมากที่สุดเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเป็นนักศึกษากับผู้มีการศึกษาเป็นพอคาข้าราชการไปรติดโรคเอดกันมา นั้นแสดงเห้เห็นงความตกต่มด้านจิตปัญญาอย่างแรงแล้วก็เป็นหน้าหน้าเป็นห่วงเอามากๆพระคนเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณภาพแต่มันขาดคุณธรรมในสุดก็เอาตัวเองไม่รอดพอจะเป็นลูกเอ๋ก็จบแล้วนะฮะก็ไม่เกินเจ็ดปีก็จบแล้วแล้วก็ชีวิตก็ร้ายค่าเกือบจะสิ้นเชิงเลยซ้ำไปตรงนี้ถ้าเราละได้เด็ดขาด เอาศีลห้านี่เอาสักข้ออีกสักข้อหนึ่งนะเอาสุราไปแล้วข้อหนึ่งเอาการเมยสักข้อเนี่ยการเมยมันซ้ำซ้อนทางเพศนะะที่เป็นโรคเอ็กเนี่ยเพราะในการสัำซส้อนทางเพศเนี่ยมันเป็นกัะลำเมื่อสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นมันหยาบคายได้เกินเนี่ยนะสัตว์ไดฉานอย่างผัวเดียวเมียนเดียวได้มนุษย์อย่างผัวเดียวเมียนเดียวไม่ได้เลยอะไรกันนักหนาเจ้า ทีนี้ถ้เราละได้มันก็ขาดระดับเด่นเหมือนกันคือไม่สับสนทางเพศตลอดชีวิตสามีก็มีสถาระสันโดษยินดีในปัญญาของตนเดงปัญญาก็มีปฏิวัติพักดีเฉพาะสามีตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายอื่นมันก็ได้ข้อหนึ่งทีนี้ต่อไปเราจะเอาข้ออะไรเอาข้ออธินาทาน มันไปการล้าเมื่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตัดสินใจว่าการได้อะไรมาก็ตามต้องได้มาในทางที่ไม่ชอบทมถ้าไม่ชอบทำไม่เอาแม้จะมากก็ไม่เอาอย่างบางทีเนี่ยอธิบายฟังรายการวิทยุก็อธิบายเรื่องอก้กระถินคือกระถินเนี่ยไม่ใช่เรื่องพิเศษวิโสอะไรหรอก มันเป็นสังฆกรรมประการหนึ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันเป็นวินัยอนุญาตไม่ใช่เป็นบทบัญญัติว่าถ้าไม่มีแล้วต้องอาบัติหรือถ้าไม่รับกระชินเนี่ยไม่ต้องอาบัติแต่ไม่เข้าพรรษาที่ต้องอาบัติ่างนั้นพรรษานั้นก็เป็นสังฆกรรมประการหนึ่งแต่ก็ที่จริงเวลานั้นมีลักษณะเป็นวินัยกรรมในจำปไปคือไม่ได้ตั้ง สังอไม่ได้ตั้งยติอะไรแล้วก็พยาญาอธิบายพูดไปพูดมาให้เห็นใจจํานวนพระน้อยตรงทอดกระถิ่นทอดมันก็ไม่เป็นกระถินทําไมจะต้องไปโกหกทําไมเหล่ามันไม่ใช่เรื่องดีพิเศษอะไรนักหนานี่นะไม่ได้รับก็ไม่ได้รับจะแปลกอะไรคือมันไม่ใช่ผิดวินัยกรถินเนี่ยมันเป็นการเสริมแล้วเป็นการบทพิสูจน์ทดสอบอะไรทไี่ช้ำไป คื อ, อยังนึกว่าน่าจะทดสอบเรื่องสามัคคีธรรมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยพระต้องทําเองทั้งหมดคือตาหากว่าท่านทะเลาะ ก, กันในพรรษาเนี่ยท่านทาไม่ได้หรอกวหกระบวนการเนี่ยเราเห็นว่าต้องการพิสูจน์สามัคคีธรรมและต้องการรักษาสามัคคีธรรมความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันก็เท่านั้นเองเนี่ย ไม่มีกระถิ่นนึภาษามื่อกีกันได้ไม่แปลกอะไรทำไมจะต้องไปตึกโกหกไปเที่วพูดบิดเบือนเบีย่ยงเบนเออกไปนอกลูนอกทางเดินไปนิมนต์พระวัดอื่นมาช่วยอะไรแต่อะไรเนี่ยมันไม่ได้หรอกพูดกันเลอะเทอะจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะแนวตรงนี้ยต้องตรงไปตรงมาต้องซื่อสัตย์เตอนเอาข้อซื่อสัตย์เพิ่มอีกอีข้อหนึ่ง ทีนี้การฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์ใหญ่เนี่ยเลิกไปแล้วแน่นอนแต่ว่าอาจจะเผลอทํามดทํายุงทําปลูกกระตายบ้างเนี่ยเอาแหละค่อยๆทำก็ค่อยไปแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าแนวทุกระดับเนี่ยเราอาศัยในยะหนึ่งคือไม่สมบูรณ์อย่างที่พระริยาเจ้าตระล่านได้หรอกแต่เราก็พยายามทําให้ได้ระดับหนึ่งนี่ในระดับที่เราเรียกว่า เป็นสมุดเฉดทวิรัตคือเราพูดระดับศีลเสียระดับธรรมะยังปีนบันไดสวรรค์ขึ้นไม่ถึงก็เอาระดับศีลที น, นี้ธรรมะนี่มีอยู่เป็นฐานใจเป็นเรือนใจสักข้อหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลมีคุณเนื อ, นอกันนันนยิ่งแล้วเพราะแนวตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าสมุดเฉดประหารคือละได้เด็ดขาดสมุดเฉดนิโรธคือดับไดเด็ดขาด สมุทเฉตวิมุตต์จิตก็หลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดสมุทเฉตนิพานคือดับเย็นอย่างเด็ดขาดคือไม่มีกำเริบอีกแล้วไม่มีการแปรผันอีกแล้วเป็นผู้คงที่อยู่ตลอดกาลนิรันดร น, นี่ก็เป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาดูจิตของตัวเองว่าเอาไว้เด็ดขาดบ้างได้ไหมในสี่ห้านี่แหละไม่ต้องเอาอะไรมากเอาใยมุกเนะี่ยสาธุชนส่วนใหญ่ระดับฟังรายการธรรมะนี่คงเลิกได้แล้วนะฮะ รายการธรรมะมันก็มีมากไปอย่างนั้นเด้งแต่คนฟังเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่มากเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าคนฟังรายการธรรมะก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอบายามุคนี่ยคงเลิกได้แล้วมันก็ยังมามีตอนเนี้ยตอนระดับศีลห้าเนี่ยสีนหน้าเอาทุกข้อก็ลําบากยากเข็นไปนะฮะเพราะว่าคนที่ทําสีนหน้าได้สมบูรณ์ไม่ต้องเป็นพระยะบุคคลระดับโสดาบัน แล้วก็เอาระดับที่ลดดันลงมาคือว่าก็ไปทีละข้อทีละข้อตามกํบบาลังความสามารถที่จะปฏิบัติได้และจากจุดเนี้ยมันทําให้เกิดนิโรธคือหม่ข้อหนึ่งที่จริงมันเป็นอาการต่อเนื่องนะฮะเป็นอาการต่อเนื่องเฉยๆหรือถ้าเราแบ่งแล้วก็เป็นนิโรธระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระกระท่านั้นนะถ้ า, ถ, าถ้าแบ่งเอาเป็นสองกลุ่มแล้วจะมีท่านั้นเอง คือการดับกิเลส ก, ก็การสงบได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานจนบรรลุผลอย่างแล้วหมายความว่าเป็นโซดาปฏิมา ก, กับโสดาปฏิผลก็ถาวรคือมันขณะจิตเดียวอะขณะจิตเดียวไม่ได้มีอะไรห่างอะไรกันเท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี้หมายความวาเราดูง่ายๆว่าเราดับความเยาวของเรายกยกตัวอย่างเช่นเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเดินไปในตลาดเห็นมีตุ๊กตามีอะไรอะ่ะ ่ของเล่นต่างๆของเด็กมากมายก่กอเราอยากได้หรือเปล่าถ้ายังอยากยากได้อยู่นี่แสดงว่าความเป็นเด็กยังกำเริบอยู่ยังไม่สงบยังไม่ระงับคือบางทีก็เล่นเป็นเด็กสนุกสนานแบบเด็กๆ เ, เนี่ยแสดงว่าความเป็นเด็กยังกำเริบอยู่คนจิตใจที่ละ ก, กิเลสแล้วก็เหมือนกันน่ไมั่เป็นการพิสูจน์ว่าเธอหวั่นไหวไหมล่ะ ไม่ใช่เราเลิกสูบบุหรี่เพราะไม่มีบุหรี่สูบเราไม่ดื่มเหล้าเพราะไม่มีเหล้าดื่มไม่เราเมื่อประเวณีเพราะไม่ได้โอกาสมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้มันเพียงแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ไม่ทํานะฮะไม่ใช่ไม่ปรเออคือไม่มีให้ประพฤติต่นนั่นเองตรงนี้มันกระจายเป็นเครื่องมือพิสูจน์ว่าเธอตัดขาดแล้วเนี่ยจิตใจยังกำเริบไหมยังวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบไหม ลัลษณะของพระหานั้นเขาเรียกว่าไม่แสดงอาการขึ้นลงไม่ว่าจะประสบเหตุการณ์อารมณ์เรื่องราวยังไงก็ตามเราก็ดูจิตของเราว่าเราอ่อนไหวไปตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ถ้าไม่อ่อนไหวก็ถือว่าชาได้แต่สมบัคริจริงๆนะท่านที่จริงๆใ น, นท่านไม่อ่อนไหวตั้งแต่ปศุดาวันขึ้นไปในไม่อ่อนไหวในจุดที่ท่านละแล้ว กิเลสอะไรที่ท่านละได้แล้วเนี่ยท่านจะไม่หวั่นไหวเราเห็นว่าปะโสดาบันยังร้องไห้ได้เพราะอะไรเพราะว่าร้องไห้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากกรรมราคะกรรมราคะท่านยังละไม่ได้การเมื่อละไม่ได้ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะร้องไห้เมื่อประสบ ก, บการพลาดพราดสูญเสียแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจได้นะฮะเพราะท่านยังละโทสะไม่ได้ แต่ว่าความสงสัยในพระตนไกรก็ดีความถือตัวถือตนก็ดีกันเชื่อเครื่องรางของขรังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล็กผ้านาทีปีหลวงแล้วเหล็กไม่มีแต่ไม่ขัดคอคนนะอันนี้คือต้องจับประเด็นนะได้ว่าไม่ใช่ว่าเราละได้แล้วเราไปดูหมิ่นคนอื่นธรรมะปฏิบัติเนี่ยต้องมองย้อนกลับได้มันเหมือนกับเราเลิกดื่มสุราเนี่ย ต้องดูว่าเรามองคนดื่มสุราอย่างไงแล้วเราเห็นสุราแล้วยรู้สึกยังไงถ้าเห็นสุรายุสึกยังเปรี้ยวปากอยู่นี่แสดงว่าไม่แน่จริงแล้วถ้าเห็นคนดื่มสุรายังรู้สึกดูหมิ่นเขาก็ไม่แน่จริงบางคนที่แน่จริงก็คือเห็นสุราแล้วไม่อยากดื่มเห็นคนดื่มสุราแล้วสงสารเขาเห็นไหมเราได้ธรรมะทั้งนั้นหล ตัวสุราเราไม่มีโลภะตัวคนเราไม่มีอติมานะคือดูหมิน่นเขาไม่ใช่คนบางคนพอทําอะไรได้หน่อยแล้วก็ไปด่าคนอื่นนึกว่าตัวเองเก่งด่าคนอื่นเนี่ยแสดงว่าตัวเองไม่มีธรรมะอะไรนะมันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกับที่เขาประท้วงอะไรต่อไรที่สารัฐเขาทาเนี่ยสารัตมันผิดแล้วแน่นอนปานากัราตินาเ น, นี่ยอาินาเนี่ยผิดและผิดแน่นอนแล้ ว, ลวอาจจะมุสาวาท ด, ด้วย แต่เราไปด่าเขาเราก็ผิดแล้วก็ผิดศีลเหมือนกันผิดศีลข้อมุสาวาทแล้วก็ผิดศีลห้าด้วยกันนะเพราะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาจะต้องไม่ใช้โครนไปสาดโครนแต่ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างโครธได้ดเอาความเย็นมาสลายความร้อนได้ด้ไม่ใช่เอาไฟกับไฟมาใส่กันมันมีแต่ลูกลามไม้บรรพ์ออกไป เพาะแนวสงบมันก็เป็นแนวพิสูจน์ทดสอบอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยเราเลิกดื่มสุราเด็ดขาดเห็นสุราไม่อยากดื่มเห็นคนดื่มสงสารคนดื่มนะไม่สงสารสุราคือสงสารคนดื่มตัวสุราเราไม่เกิดโลภะตัวคนเราไม่เกิดอติมาณนะและประการต่อไปก็คือนิสรณะนิโรธนะคือดับกิเลสด้วยการสลัดออกโดยไม่เหลือได้แก่ ถึงอมาตะามานิพานคือเป็นการดำงรงอยู่อย่างเทาวรนะฮะออกไปจากกิเลสออกจากความทุกข์อันนี้เป็นอาการสะท้อนมาจากสมุเิเฉตานิโรธนั่นเองอันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกว่าเมื่อเราต้องการโดยเสด็จเราละอะไรก็ตามต้องไม่เกิดกิเลสข้ออื่นขึ้นมา นะไม่ใช่ว่าเราละการดื่มสุราแล้วก็ไปดูหมิ่นคนที่ดื่มสุราหรือว่าละการดื่มสุราแล้วก็ยังอยากดื่มสุราอยู่นี่ยังยังยังไม่แน่จริงอันนี้พอเราตรวจสอบดูตัวเราเราเห็นคุณธรรมล่านี้ภายในใจเราก็จะเกิดปีติปรมุ่ขึ้นมาเพราะแต่ละข้อนั้นเป็นทางเลือกเป็นการเสนอให้เลือกเอาใครจะเลือกออกข้อไหนก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ปริยายของธรรมแล้วท่านก็เสนอทางไว้โดยนัยาต่างๆแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะไปเจอกันในตอนที่มีปีติปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งฟังทั้ ง, งหลายแต่รุวงประพธิยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี